สติปฐานของเราเนี่ยก็เกือบจะจบแล้วนะเาตอนนี้เริ่มเมว่าภาคประชุมมารยศาสตรล์ละพูกที่เอาปิยรูปสาตรูปไปทงปริญญามากๆนี่นนะ สัจจะ ท, ที่ที่ควรจะเห็นหลังจากการเอาไปทำปริญญาในปิยรูปสาธรูปคือสมุทยัทยสัจกับนิโรสัจัะเพราะว่าตัวปิยรูปสาธรูปนั้นก็คือทุกขสั์อยู่แล้วตรงๆใช่อายตนะภายในย6อายตนะภายนอก6วิญญาณหภาษา6เวทนา6สัญญา6เจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารห6เนี่ยพวกนี้ตามสภาวะ ก, ก็คือขันหะ ขยายมาจากขันห้าขันห้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติชรามรณาโศกปริเทวทุก โ, โทมนัุอุปาญาตอยู่แล้วทีนีถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาจะเห็นว่านี่แหละคือดินแดนที่ที่น่าเพลิดเพลินทั้งหลายเพราะความเพลิดเพลินนั้นเวลาจะเกิดก็เกิดโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันประบติแดนโคโจรแห่งตันหา ที่เที่ยวแห่งตันหาตันหาเนี่ยมันชอบแม่นตันหาด้วยกันน่มันตันหาเองก็ชื่อว่าเป็นแดนโคจรแห่งตันหาสิ่งที่อยากจะเอาเอามาพูดเอามากล่าวให้เราไปไข้ควนกันมากๆก็คือการสงเคราะห์ธรรมะห0สิบเนี่ยนะตามทวารก็จะเห็นตามปฏิจจสมุป บ, บาทนั่นนะ อย่างอายตนาภายใน6อายตนาภายนอก6เมื่อประชมรวมกันก็จะเกิดวิญญาณหกนะสามอย่างอายตนาภายในอายตนาภายนอกและวิญญาณ6ประชมกันเรียกว่าภาษาหกภาษะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทั้งหกเมื่อเวทนาสเสวยสิ่งใดสัญญาก็จําหมายในสิ่งนั้นอันนี้ก็สัญญาหกพอเกิดสัญญาขึ้นเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งเจตนา เจตนาที่เกิดร่วมด้วยก็เรียกว่าเจตนาหกนั้นเจตนาโดยโดยมากเป็นไปกับตันหาในฐานะเป็นบริคารเป็นบริวารของตันหาก็จะเป็นตันหาหกสิ่งที่ตันหาชอบจะเอามาคิดบ่อยเอามาตรึกถึงบ่อยถ้าตันหารับนะถ้าตันหาสนใจเนี่ยจะเอามาคิดสิ่งนั้นบ่อยมาก ถ้าคิดเอามาคิดเอามาตรึกถึงอันนั้นเป็นวิตกกะใช่ไหมก็เป็นวิตกหกถ้าคิดจนชำนาญในเรื่องนั้นก็เป็นวิจารหกทั้นวิจารเนี่ยน ะ, ะการตรึกนึกคิดก็จริงๆก็เพื่อมาสนองอะไรก็สนองเวทนาอีกครั้ง้นึ่ะน่้ น, นพวกนี้ถือว่าเป็นดินแดนแห่งตัหาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกเนี่ยนะแล้วก็ เอามาใคร่ครวญพิจารณาในในทวารทั้ง6เหล่านี้ให้ได้ว่าปิยรูปสารรูปทั้งหกสนั้นอยู่ในทวารทั้งทั้งหทีนี้การที่เราจะเข้าใจทวารหเหล่านี้ดีนะก็ต้องจําแนกไปเป็นทั้งทวารทั้งหมดเหล่านี้นะธรรมเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตเพราะถ้าไม่ไม่ฝึกเอาอดีตมาพิจารณาเราจะเข้าใจเรื่องชาติหรือ เพราะว่าชาติเนี่ยตอนนี้ใครมีชาติอยู่บ้างขณะ น, นี้ไม่มีชาติเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ในอดีตท่านก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาทั้งที่ทเป็นอดีตแล้วก็ต้องพิจารณาสาวไปหาอนาคตด้วยเพราะมรณะก็คือสิ่งเหล่านี้อันถ้าพิจารณาทั้งอดีตอนาคตก็เชื่อมกันในความเป็นเหตุเป็นผลก็จะเห็นวัตตะที่เป็นไปในภูมิสาม การกล่าวปียรูปสารูปนั้นถือว่าอมทุกภูมิเอาไว้เบ็ดเสร็จแล้วทั้งการมาภูมิรูปประภูมิและอรูปประภูมินั่ น, นก็ไม่ได้มีอะไรที่มันพ้นจากธรรมะหกสบเหล่านี้เลยซึ่งธรรมะหกสบเหล่านี้ก็มีใช้มากในพระไตรปิฎกนั่นเมีการกล่าวถึงมากมีเฉพาะในอริยสัจเท่านั้นแหละที่แสดงอย่างกว้างขวางพิสดาร ที่เป็นพระสูตรเลยนะที่เป็นพระสูตรที่จะมาแสดงอย่างกว้างขวางพิสดารเต็มที่เนี่ยจะมีแสดงในอริยสัจแล้วก็โดยมากมีแสดงอยู่เฉพาะในมหาสติประธานสูตรหรือสติประธานสูตรถ้าเป็นที่อื่นๆจะไม่ไม่แสดงอย่างกว้างขวางขนาดนี้อาจจะแสดงเฉพาะอายตนะภายใน6ว่าเป็นติยรูปส า, ารูปบางทีก็แสดงเฉพาะอายตนะภายนอกหบางทีไม่ถึง6แสดงแค่ แค่ห้าคือเบญจกามคุณเนี่ยนะบางทีก็แสดงเฉพาะวิญญาณบางทีก็แสดงเฉพาะภาษาเรียกว่าภาษายตนาเนี่ยนะซึ่งบอเกิดแห่งาภาษะคือแสดงทั้งาภาษาและบอเกิดแห่งาภาษาบางแห่งก็แสดงเฉพาะเวทนาบางส่วนก็แสดงในส่วนของสัญญาเป็นหลักบางส่วนก็แสดงเรื่องเจตนาเป็นหลักบางส่วนก็แสดงตัหาเป็นหลักเนี่ยนั้น พระสูตรที่แสดงอย่างกว้างขวางเต็มบริบูรณ์เหมือนกับสติปัฏฐานสูตรหรืออริยสัจมีไม่ค่อยมากเนี่ยนะโดยมากก็จะเรียนแบบคือพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์มีพระชนอยู่การแสดงธรรมของพระองค์นั้นมุ่งการพ้นทุกข์เป็นเกณฑ์เนี่ยนะคือไม่ได้เน้นความสะสวยทางพยัญชนะทางรูปแบบโครงสร้างแต่เน้นว่าผู้ฟังเนี่ยควรจะฟังเท่าไหร่ ถือถ้าฟังแล้วบรรลุมรรคผลพ้นจากความทุกข์ได้พระองค์ก็เน้นเอาตรงนั้นเป็นเป็นประมาณเพราะนพยัญชนะเนี่ยพระองค์บางทีก็แสดงมากบางทีก็แสดงน้อยเพราะพระองค์แสดงธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารนั่นนะถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะหกเนี่ยจะขยายมาเป็นย่อก็ได้มาเป็นพิสดารอีกก็ได้นะซึ่งสามารถที่กระจายไปในรูปแบบอย่างใดก็ได้ตามหลักปฏิสัมพิทา คงทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าโอกาสที่จะได้เอามากล่าวในในส่วนของตรงนี้อีกก็คงลำคงยากแล้วนะมันก็อยากจะย้าในส่วนตรงนี้สักหลายๆครั้งหน่อยคือการสงเคราะห์เอาธรรมะหกเนี่ยนะในในทวารหเนี่ยมามาให้เราคิดให้มากๆเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งพระสูตรเนี่ยมากสูตรเหลือเกินทั้งสูตรนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสูตรที่เป็น อารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยนะ<ป>อย่าไปบังเขาก็ละ <c oughs> คงว่าเป็นทาวารทาวารเลยนะอย่างทาวารที่คุณปีดาเคยขอไว้นานแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะขอเอาทาวาร น, นั้นมาพูดคือทาวารใจนั่นนะอาสะมะโนเนี่ยนะกลับอะไร ธรรมะธรรมะตรงนี้เนี่ยมีมีความหมายหลายในแต่ท่านบอกว่าบางในก็คือธรรมในภูมิสามเนี่ยนะสามภูมิเลยการมภูมิรู ป, ปรภูมิและอาร ป, ประภูมิอันมโนตัวเนี้ยเน้นเน้นอะไรเน้นที่พวังพวังมีเท่าไหร่คุณชูศรีพวังสิบเก้านะ พวังสิบเเนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งอ น, นะอาเฮตุกะพวังสองอ น, นะอเฮตุกะปฏิสนธิอเฮตุกะพวังเนี่ยสองแล้วต่อไปมหาวิบากมหาวิบากปฏิสนธิแปดอ น, นะรูปาวจรวิบากปฏิสนธิหอารูปาวจรวิบากปฏิสนธิอีกสี่ 4, การพระพุทธพจน์ใช้คำว่ามโนอยู่ศัพท์เดียวเนี่ยผู้พิจารณาก็พิจารณาตามสมควรแก่ภูมิแห่งตนนั่นะคือถ้าผู้อยู่ในกาลมาภูมิก็เน้นพิจารณาตัวกามเป็นหลักใช่ั้ยเน้นปฏิสนธิที่เป็นกาลเนี่ยิบดวงเป็นหลักถ้าเป็นพรหมฟังก็พิจารณาของพรหมก็ได้นั่นะคือคือผู้ที่ถ้าเป็นพรหมฟัง ก็สามารถเอาเอ า, เอาพวกพวกนี้มาคิดได้ทีนี้ถามว่าอา้าถ้ารูปประพรมเราจะฟังได้ยังไงยอาไงกันนี่คือพวกรูปาวจรวิบากไปจากไหนอะรูปาวจรวิบากไปจากไหนก็ไปจากกรรมใช่ไหมเพร่นรูปราวจรกุศละรูปราวจรกุศลหอะรูปราวจรกุศลสี พวกมหาวิบากเนี่ยนะมหาวิบากก็มาจากมหากุศล8ถ้าเป็นอาเหตุกะล่ะก็แบ่งออกเป็นเป็นสองกลุ่มใช่กลุ่มอากุศลปตินสนธินำเกิดเจตนาเท่าไหร่1คืออากุศล11ถ้าเป็นพวกปฏิสนธิที่เป็นอาเหตุกะ โดยมากโดยมากเนี่ยสี่ดวงนะเป็นตัวที่เป็นเป็นต้นเหตุนําเกิดแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็แสดงไว้กว้างๆไว้ก่อนคือแปดวงคือมหากุศล8ปเนี่ยนะเพรผู้ที่พิจารณาตัวกรรมมากๆก็จะเห็นวิบาบผู้ที่พิจารณาวิบากมากๆก็ต้องสาวมหากรรมเพราะว่าข้างข้างบอเนี่ยนะคือ พวังหรือปฏิสนที่19นั้นเรียกว่าเป็นชาติวิบากวิบากก็แปลว่าเป็นผลซึ่งเป็นผลของของกรรมพันถ้าพูดวิบากก็เท่ากับแสดงกรรมแล้วเพราะว่านี่เป็นเหตุใกล้ของวิบากถ้ากล่าวกรรมก็เท่ากับกล่าววิบากแล้วพันผู้ที่เขาเจริญนั้นเขาเอากุศลอกุศลของเขามาทำปริญญานี่ยเล พันธาเขาเอากุศลมาพิจารณาก็จะเห็นถึงวิบากหรือผู้ที่พิจรารณาผวังตัวเองมากๆนี่ก็จะเห็นละเพราะอย่างไรเขาก็ต้องสาวไปหาหาวิบากอยู่แล้วว่าผวังเราเนี่ยมายังไงทําไมความคิดของเราแต่และความคิดมันเกิดได้อย่างไงเพราะอันนี้ต้องเอามาทํามาทําปริญญาหรือมาใคร่ครวนซึ่งผู้ที่มีปัญญาเนี่ยโดยเฉพาะ เป็นพหูสูดหน่อยหรือเป็นผู้ที่ไข้ครวนหนักในการพิจารณาเนี่ยถ้าเขามานาสิการอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งนะเขาจะมองที่เหลือโดยรอบหมดเลยเขาจะไม่ไม่ใช่ว่าอย่างมานาสิการว่าเสียงแล้วเขาคิดอยู่แค่เสียงไม่ใช่เห็นไหมถ้าเขามนาสิการกลิ่นแล้วเขาอยู่หยุดแค่กลิ่นนี่ก็ไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเขาฟังเสียงนะเขาจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียงเท่านั้น อย่างถ้าถ้าหยุดอยู่แค่เสียงเนี่ยนะพวกหลักการเรียนตำราตำราไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรน่นะแต่เมื่อพูดถึงเสียงปั๊บเนี่ยเนี่ยนะถ้าเป็นาทางภาษาภาษาไทยเนี่ย ก, ก็ก็ไม่ไม่กล่าวถึงกันนะก็ให้จางเกษอรอธิบายไปภาษาไทยอันนี้เอาภาษาบาลีเลยก็ภาษาบาลีนี้ทั่วไปก็จะขึ้นอักขรใช่ไหมนี่นะ เอกจัตตาลีสะก็41เนี่ยนะเขขึ้นเป็นกะขะคะฆเนี่ยนะเขาก็จะขึ้นแบบนี้แล้วพวกนี้เขาจะพูดฐานกรหมดเลยว่าตัวเสียงเนี่ยฐานมันคืออะไรแล้วกรคือที่ที่กระทบมันคือที่ไหนนะแล้วเสียงมันเปล่งออกมาจากส่วนไหนเป็นต้นเขาจะเอามาวิเคราะห์หมดเลยเพราะว่าเสียงที่มันดังออกมาคืออะไรคือจิตตชะปัวีธาต ที่กระทบกับปัทวีธาตุที่เกิดจากกรรมมชะชนะเนขาก็แยกอย่างนี้นะว่ากรรมมชะชปัทวีธาตุคือตัวตัวสายเสียงหรือตัวคอเนี่ยนะตัวลำคอเนี่ยที่ที่เป็นหลักๆที่ต้นต้นตำรับไม่เหมือนคนอื่นไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครเนี่ยนะก็คืออะไรกรรมกรรมมชะช้ปัทวีธาตุคือปัทวีที่เกิดจากกรรมทีนี้อ่ก อาศัยปฐวีที่เกิดจากจิตเนี่ยนะมากระทบกับปฐวีที่เกิดจากกรรมพอกระทบกันก็ธาตุกระทบธาตุก็เกิดเสียงดังขึ้นเหมือนเสียงดังขึ้นเสียงก็ถ้าเป็นแบบไทยเขาเรียกว่าอักษรสูงหรืออักษรต่าใช่หแต่ถ้าเป็นทางบาลีเนี่ยเขาเรียกฐานเรียนเรื่องฐานเรื่องกรว่า เ, เสียงตัวนี้หลุดมาจากตรงไหนหรือตรงไหนเป็น เป็นฐานเป็นก่นเขาจะเช่นตั้งกับคอหรือว่าการเกรงที่หน้าอกหรือว่าที่ลำคอหรือว่าเน้นที่ศีรษะปุ่มเงือกที่ปลายลิ้นหรือว่าที่ริมฝีปากเนี่ยเขาจะคำนวณได้หมดเลยจากคำพูดเนี่ยคำนวณไปหาต้นตํหรับคือต้นเสียงเลยว่าเสียงนั้นคืออะไรนะเสียงนั้นขึ้นจมูกหรือไม่ขึ้นจมูกนั้นเขาพิจารณาไปที่ฐานกับ กที่ก่อนก็คือพิจารณากรรมมชรูปกับจิตตชรรปทีนี้ถ้าพิจารณาชรูปก็ต้องไปหาว่ากรรมใดที่ทำให้ต้นต้นตำรับคือตัวสายเสียงเป็นต้นไม่เหมือนผูกคนอื่นแล้วตัวตัวจิตตชาวายโยตัวนี้นะขอไปจิตตะชาปัทวีตัวนี้ที่ไปกระทบเนี่ยอันนี้มีจิตอะไรเป็นสมุดฐานก็จะวิเคราะห์อย่างนี้แล้วอ า, อาศัยพวกนี้กระทบกันขึ้นจึงเกิด เสียงอยู่ในคพีอะไรครับแปลก่เคยได้ยินคุณถามแต่กคมพีโดยที่ไม่อ่านกัมพีไม่ตอบหรอกน่ยะขัดจังหวะคนอื่นเขาหมดนะเ่ถ้าพิจารณาได้บ่อยๆอย่างนี้ป๊บเนี่ยนะจะรู้แมก้กระทั่งเสียงถ้าเอาเรื่องกรรมมาคิดว่าเสียงอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นถ้าเป็นคำสั่งใช่ไหมกรุณาลุกขึ้นโอยบางคนนะพูดจะขอจะ ป่วยนะเขาก็ไม่ลุกให้อีกคนหนึ่งเนี่ยก็บอกลุกลุกลุกเขาจะรีบลุกให้ทันทีเลยนะเสียงมีอำนาจกับไม่มีอำนาจเนี่แตกต่างกันลุกเนี่ยลุกอะไรได้เวลาทํางานแล้วหัวหน้างานบางคนนะพูกคําเดียวเนี่ยลูกน้องลุกมากเลยหัวหน้างานบางคนเนี่ยโอ๊ยอยากร้องไห้เลยอ่ะลูกน้องไม่ทําตามอันนะ ได้เป็นหัวหน้าดีใจมากที่ได้รู้ว่าเป็นหัวหน้าเพราะลูกน้องไม่ทําตามทุกของหัวหน้าลูกน้องไม่มีโอกาสป่วยแบบนั้นหรอกเพราเสียงมีอํานาจหรือไม่มีอํานาจมีเดชหรือไม่มีเดชมียศหรือไม่มียศก็ต้นตํำรับคือตัวเป็นผลพวงจากจากกรรมอีกครั้งหนึ่งก็สาวไปหากรรมสาวไปหาต้นต้นตํำรับจิตเป็นสมุทฐานมันมีเรื่องอะไรที่จะต้องให้วิเคราะห์อย่างมากเพราะถ้าคนที่รับเสียงเนี่ยนะ มีเสียงเป็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยถ้ามีการศึกษามาดีหรือเป็นนักคิดนักใคร้ครวนนักวิจัยเนี่ยฟังออกเลยว่าเสียงอันนั้นมันคืออะไรมาจากต้นตำรับอะไรแล้วก็เอาตัวเสียงเนี่ยวิเคราะห์องค์ประกอบของเสียงได้อันนี้เฉพาะเสียงอย่างเดียวนะแล้วก็อย่างอื่นอื่นอีกนั้นผู้ที่ทําปริญญาเนี่ ย, ยก็ต้องเอามาใคร้ครวนมากพอที่จะเบื่อนายเพราะว่าเสียงเนี่ยนะเป็นปรูปสาตรูป เป็นเป็นปีรูปสาธรูปที่สำคัญมากเนี่ยนะอดข้าวก็เพราะเสียงนี่แหล ะ, ละกรอนนี่มันคืน อ, นออะไรครับกอนอ๋อกลอนก็คือที่เขาปิดไปใส่ปิดเปิดประตูอะาจารณ์บอกกรอนเมื่อกี้เนี่ยอคืออะไรฐานกรอนกอนก็คือกัณะเหตุที่มันทำให้ต้ น, ต, น, ต, นต้นต้นตรับตัวเหตุที่ไปทำให้เสียงกระทบกรอนเนี่ยคือ ตัวนี้ไม่ใช่กรอนอทีนี้มามาดูต่อไปว่าผู้ที่เขาพิจารณาเนี่ยลักษณะเดียวกันถ้าเขาพิจารณากรรมจะมองเห็นวิบากถ้าพิจารณาวิบากก็จะเท่ากับผู้เรื่องเรื่องกรรมแล้วทีนี้การการอธิบายในคำพีเนี่ยหลักการเขียนคำพีเนี่ยเขาไม่มีใครเขียนเรื่องเดียวโอ้โหแล้วคลุมจักรวาลไปทุกเรื่องไม่มี ไม่มีตำราที่ไหนเขาทำกันเนี่ยนะก็เหมือนกับเราเรียนเรื่องการทำครัวใช่หัหยเรียนเรื่องการทำครัวเนี่ยเขาก็จะพูดผักแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็แยกกันอยู่อย่างนี้ใช่ัหมแต่ถามว่าตอนที่บริโภคจริงๆล่ะถามว่าแยกกินทิผักชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปกินพริกอีกเม็ดหนึ่งไปกินมันรวมคละกันไปหมดแล้วพาะในในการ ฟังทำทั้งหลายโดยทั่วๆไปก็จะพูดเป็นหลักวิชาพูดแต่เฉพาะเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเพราะนั้นพูดส่วนที่เหลือนักศึกษาก็ไปไปใคร้ครวนไปไประยุกต์ใช้ไปพิจารณาเอาเองนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะอย่างเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมก็เป็นรายละเอียดอีกภาควิชาใหญ่เลยแต่ทีนี้ส่วนใหญ่การเรียนเนี่ยโดยมากมันต่อกันไม่ค่อยติดวิชาไม่ค่อยเข้าหากันเลย งั้นถ้าผู้ที่ใช้คําว่าผวังมโนเนี่ยเอาทิ้งต่างเลยนะว่าภาวังของเราเองนะผวังคนอื่นก็มันก็ไม่สําคัญเท่ากับกับเราอ่ะนะผวังนี่มันเป็นอะไรใ ช, ใช้แทนคําว่าชีวิตเลยนะชีวิตของใครใครก็รักอ่ะ น, นะก็หวงแหนเอาเอาชีวิตเลยแหละ ต้นตำรับของความคิดของเราเนี่ยทําไมรับเรื่องเดียวกันแล้วเราคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยอะ่กะก็เพราะพื้นฐานมาจากภวังเนี่ ย, ยทีนี้ตัวนั้นอะ่ะคือธรรมะก็ทําในภูมิสามก็ปัจจัยมากมายมหาศาลเกิดความคิดขึ้นคือมโนวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณที่เราคิดก็คิดไม่เหมือนใครก็ไม่มีใครเหมือนด้วยเนี่ยนะ ผวังเนี่ยในฐานะเป็นอะไรเป็นทวารนะเป็นทวารของมโนวิญญาณฉะนี้ตัวตัววังเนี่ยพื้นฐานที่สำคัญต่อความคิดมากแม้กระทั่งสำคัญต่อเจริตด้วยอย่างเช่นฟังเรื่องเดียวกันอีกคนหนึ่งมโนวิญญาณเกิดร่วมกับโสมณัสอีกคนหนึ่งมโนวิญญาณเกิดร่วมกับ โทมนัสเนี่ยนะหรือโสมนัสก็แบ่งเอกโสมนัสอาศัยอะไรอาศัยกามอีกคนหนึ่งโสมนัสอาศัยเนฆัมมะนั่นนะโทมนัสก็แบ่งออกไปตามนั้นแม้กระทั่งอุเบกขาก็ยังมาแบ่งตามตามนั้นใช่ไหมเพราะพื้นฐานการรับกระทบผัสสะเนี่ยหลักการก็มีอย่างนี้ว่าเพราะความต่างแห่งธาตุคือมโนธาตุต่างกัน ธรรมธาตุต่างกันมโนวิญญาณธาตุก็ต่างกันเมื่อมโนวิญธาตุสามอย่างต่างกันอะไรต่างภาษะก็ต่างนั่นนะคือเมื่อมันรับกระทบตั้งมากมายอ่ะภาษาจะไปเหมือนกันได้ยังไงเพราะว่าคิดหนึ่งเรื่องอคือพูดงีเ้เหนึ่งความคิดก็เท่ากับหนึ่งภาษะหนึ่งความคิดก็หนึ่งภาษะแล้ววันนี้คิดมนาะกี่เรื่องแล อยากให้มันเลิกคิดจิตตาเนะี่มันไม่ก็ยอมมานะคิดมากมาเพราะนั้นภาษาสังสมภาษาเอาไว้เท่าไหรนั้นภาษะทุกภาษานี้เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาหมดเลยนั่นะพรนั้นก็ตามมาด้วยเวทนาใช่ไหมทั้งที่เป็นโสมนัตเวทนาโทมนัตเวทนาอุเบกขาเวทนาถ้าว่าย่อๆทั้งหมดก็คือเวทนา อย่าลืมว่าเวทนาสเสวยสิ่งใดสัญญาก็จําหมายในสิ่งนั้นเหมือนกับว่ามันเก็บข้อมูลในในสิ่งนั้นและเหมือนกับว่ามีการรับรับอารมณ์เรียกว่าสําคัญหมายในสิ่งนั้นละแล้วก็ตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสําคัญทําให้ทํากรรมที่แตกต่างกันด้วย ใช่ทกรรมที่แตกต่างกันกรรมนี้ก็แบ่งออกเป็นอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมก็เท่ากับเจตนานั่นเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แตกต่างกันทีนี้กรรมที่กายกรรมใดที่ทามากวจีกรรมใดที่ทามากมโนกรรมใดที่ทำมาก กรรมตัวนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเราทำมากหรือทำไม่ค่อยมากโดยทั่วๆไปนะบอกว่าเอาตันหามาเป็นเครื่องวัดนะโดยทั่วๆไปนะเราจะทำในสิ่งที่เราชอบเป็นส่วนใหญ่ว่าโดยรวมๆนะเพราะฉะนั้นกายกรรมวจจกรรมมโนกรรมก็เป็นไปตามตันหาเป็นไปตามตัญหาทีนี้ผลพวงของตันหาที่เราจะคิดดูก็ดูที่ วิตกนะเรื่องไหนที่เราชำนาญก็วิจาร์อย่างคล่องแคล่วทั้งวิตกทั้งวิจารเนี่ยนะเป็นผลที่สำคัญต่อต่อเวทนาเป็นปัจจัยต่อเวทนาเพราะว่าเรียกว่าม โ, มโนปวิจารสิบเนี่ยนะการตรึกการตรองในเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตโทมนัตและอุเบคาแล้วก็พวกทั้งทั้งหมดเนี่ยนะ ตัวตันหาตัวกรรมตันตัวตันหาตัวกรรมเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นตัวนําเกิดในกรรมเนี่ยเป็นตัวจําแนกจําแนกพบใช่ไหมกรรมเนี่ยเป็นตัวจําแนกพบเช่นกรรมแบบนี้นําไปเกิดในนรกกรรมแบบนี้นําเกิดในเปรตแนอสุรกายใน เดรัจฉานกรรมแบบนี้นำเกิดในมนุษย์กรรมแบบนี้นำเกิดในเทวดาหรือกรรมแบบนี้นำเกิดในพรหมโลกแต่ถ้ากรรมที่ระบบนำเกิดในพรหมโลกก็ดูที่องค์ประกอบคือวิตกวิจารณ์อย่างที่เขาเรียกว่ากรรมที่นำเกิดโดยทั่วไปนี่เป็นกรรมชนิดใดก็คือพวกผหุลกรรมเนี่ยนะผหุลกรรมก็คือกรรมที่โดยทั่วไปนะกรรมที่ทํามากอะตัวมาก ตัววิตกวิจารมันประกาศถึงกรรมมากก็คือเอามาคิดมา ก, ก น, นะเอามาคิดถึงเรื่องนั้นแม้ทำครั้งเดียวนะแต่มาคิดย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องนั้นมากกรรมอั น, นั้นก็เรียกว่าเป็นพระหุลกรรมเนี่นะมันก็กรรมเนี่ยเป็นตัวนำเกิดนะคือเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้เลวให้ประนีตให้ดีให้ด้อยแต่ตันหาเป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเกิด นะก็สัมพันธ์กันนะตามทาวารต่างๆถ้าว่าโดยสรุปก็คือปฏิจจสมุปาในมโนทวารถ้ากล่าวตามมโนทวารเป็นพื้นฐานนี้เนี่ยที่เกิดธรรมกรรมตัวนี้เท่ากับเจตนา29อยู่แล้ว เ, นะเจตนา2ี่เกาก็หมายถึงเกิดในภพสามการเกิดในภพสามทีนี้ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรารังเกียจ ว่ารวมๆเลยนะก็ตอนไหนที่มันไม่ประทับใจนั่นแหละตอนนั้นน่ะไม่รังเกียจออขอตอนไหนที่ไม่ประทับใจตอนนั้นแหละรังเกียจแต่ถ้าว่าโดยรวมๆเราชอบหมดเลยมโนเราก็ชอบเรื่องที่เราเก็บมาคิดบ่อยๆเนี่ยนะก็แสดงว่าเราก็ชอบเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็ความคิดเนี่ยนะให้ค่ามากเลยสังเกตว่าถ้าเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นความคิดของเราเนะ เราเชียร์ไม่ค่อยเลือกอ่ะถ้าถ้าเราเป็นต้นตํำรับในเรื่องคิดเรื่องนั้นๆ น, น, นะหรือว่าเราสนับสนุนเรื่องความคิดใดเราก็ส่งเสริมมันมากมันความคิดนี่ยิ่งใหญ่พวกความคิดเนี่ยนะทีนี้ความคิดก็จําแนกอีกแล้วแต่ว่าแล้วแต่เวทนาเหมือนกันเราติดข้องหมดเลยมีอะไรมัางเราไม่ติดไม่ข้องในนี้ถ้ามันน่าปราถนาหน้าใคร่หน้า พอใจก็ติดข้องหมดเพราะนั้นพวกนี้จึงเป็นอารมณ์ของของสมุทัยศัตว์แต่ถ้าถ้ากล่าวตามนี้แล้วนะตัวปยรูปสาตรูปเนี่ยก็คือทวนนะคือขันห้าขันห้ามาขยายตามทวารก็จะเป็นปยรูปสาตรูปถ้าเป็นทวารก็มองให้เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นกรรมและผลของกรรมที่มันไหลไปเรียกว่า สังสารวัตรสังสารวัตรนี่ก็มาขยายเป็นกรรมเป็นผลของกรรมทั้งกรรมและผลของกรรมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นที่อาศัยเกิดของตันหาทั้งหมดเนี่ยนะตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดในสิ่งเหล่านี้ทันตันหาตัวนี้แหละโปโนภวิกานันที่ราคาสาคตาตัวตันหาที่มาเพลิดเพลินกับสิ่งนี้เป็นอะไรสัจจะ สมุทยัทยสัจจะเนี่ยนะเป็นตัวที่ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในในพบใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะทุกๆอารมณ์เหล่านี้นะเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในพบใหม่ซึ่งตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะในบรรดาในบรรดาธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ถือว่าความชอบใหม่ๆสำคัญที่สุดไอ้ตันหาที่เคยชอบไปแล้วมีประโยชน์อะไร พันธนาที่เราเคยตัวตันหาที่มันเคยเกิดครั้งแล้วครั้งแล้วก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ถือเอาเป็นประมาณเท่าไหร่นะเธอเอาเป็นประมาณว่าไอตัวที่เรากําลังจะชอบอยู่ใหม่ๆเนี่ยทำยังไงความชอบใหม่ๆจึงจึงจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะไอะตัวนั้นแหละที่เราจะขวนขวายเพื่อจะให้เกิดความรู้ในนิโรธสัจจะแต่ที่ตรงนี้เนี่ยสมุทยาสัจจะเนี่ยดูได้จากวัตถุดิษ ทีนี้ในในอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นเป็นที่เป็นที่อาศัยเกิดแห่งตันหาเนี่ยถ้าถ้าเรียนอนุสัยยมกะมานะก็คงพอระลึกได้ว่าพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งกามราคะใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งอะไรมัง่งกามาราคานุสัยไรภาวะราคานุสัย แล้วยังถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปก็ทิฏฐานุสัยแล้วก็มา น, านุสัยอนน้ก็อวิชชาด้วยนะส่วนปฏิฆานุสัยเอาไว้ก่อนไม่กล่าวถึงกับอะไรอีกอ น, นุสัยกันไหมวิจิกิชานุสัยก็ จริงวิจิกิิชานี่ควบคู่กับทิฏฐินะเข้ามาคู่กันกับทิฏฐิถ้าละทิฏฐิได้ก็ละวิจิกิิชาได้ถ้าละวิจิกิจชาได้ก็ละทิฏฐิได้พวกพวกปิยรูปสารูปเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการมราคานุสัยเป็นที่ตั้งแห่งภวะราคานุสัยไอการเกิดในภพใหม่ก็ดูได้จากการมราคานุสัยกับปฏิคานุสัยถ้าการมราคานุสัยก็นําเกิดใน ตารมาพบภวะราคานุสัสก็นำเกิดในรูปประพบและอารูปประพบ